กลับพ่อแม่ครูอาจารย์มาสการเพื่อนสหธรรมิกเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งสองฝั่งโคงเอามือลงก็ได้เนาะนั่งให้สบายแต่ไม่ใช่นั่งสบายจนหลับไปเนาะนั่งสบายสบาย ธรรมะเราเรียนกันด้วยใจว่าจิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญคนจะชั่วก็เพราะจิตคนจะดีก็เพราะจิตจะบรรลุมรรคผลก็เพราะจิตความชั่วความดีกระทั่งมรรคผลอยู่ที่จิตท่านั้นเลยงั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธาน ของธรรมะทางปวงครูบาจารย์ที่หลวงพ่อศึกษาธรรมะท่านสอนมาท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีหนึ่งบอกว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าถ้าได้จิตก็ได้ธรรมะถ้าเสียจิตไปก็ไม่ได้ธรรมะงานจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ การที่เราจะพัฒนาจิตใจนั้นอันแรกเลยเราต้องไม่ทําชั่วถ้าปล่อยให้จิตใจมันชั่วมันก็จะยิ่งเคยชินเคยตัวชั่วมากขึ้นมากขึ้นนอกจากไม่ทําชั่วแล้วก็ทําความดีอย่างที่พวกเราทํากันเราทําทานเรารักษาศีลเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรม อันนี้เป็นความดีและความดีสูงสุดก็คือการเจริญปัญญาการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าพวกเรารู้จักาศาสนาพุทธแค่ประเพณีไหวพระสวดมนต์ทำบุญทาทานอะไรเนี่ยเรายังได้ประโยชน์ จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เต็มที่คล้ายๆท่านให้มรดกมาเป็นหมื่นๆล้านเราได้ไม่กี่บาทนะไม่ได้กี่กีบงั้นเราต้องพยายามมาเรียนสิ่งที่ท่านสอนให้ได้มากที่สุดชาวเราดีอยู่แล้วในเรื่องการทำทานการถือศีล การเข้าวัดฝึกจิตใจให้สงบอะไรนี้นะดีอยู่แล้วเรามาหาความดีที่สูงขึ้นไปอีกคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่ได้บอกว่าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินะแต่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา แต่อยู่ๆปัญญามันไม่เกิดหรอกเราก็าต้องทำทานรักษาศีลทำสมาธิเป็นบาทเป็นฐานเบื้องต้นเพื่อการเจริญปัญญาศีลนั้นเป็นการควบคุมจิตใจของเราเวลานี้จิตใจของเรายัางอ่อนแอกิเลตมีกาลังแก่กล้าจิตใจอ่อนแอกว่ายกิเลสเราตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อน ถึงกิเลสจะรุนแรงแค่ไหนเราไม่ยอมทำผิดศีลมันจะยั่วให้เราปากเสียทำผิดทางวาจาเราก็ไม่ทำมันจะยั่วมือยั่วเท้าเราให้ทำผิดทางกายเราก็ไม่ทำมันเป็นการข่มใจนะไม่ยอมทำตามกิเลสนี่คือเรื่องของศีลศีลเป็นเครื่องมือที่เราตีกรอบตัวเอง ข่มใจไว้ไม่ยอมทําตามกิเลสถ้าต่อมาเราพัฒนาจิตใจของเราได้เข้มแข็งขึ้นเรามีสมาธิสมาธิได้เป็นเครื่องข่มกิเลสศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ยอมแพ้กิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มีอานาจเหนือใจมันมันสูงกว่ากันอย่างทีแรกกิเลสมันเป็นศัตรูเข้มแข็งเราสู้ไม่ไหว นะเรารักษาศีลเหมือนเราอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายรักษาตัวไว้ให้รอดแต่พอเรามีกำลังมากขึ้นนะเราก็ไล่ตีกิเลสวิ่งหนีเหมือนกันด้วยกำลังของสมาธิแต่การใช้สมาธิสู้กิเลสนั้นมันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเพราะสมาธิมันก็ยังเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นสังขารนะเป็นสังคตธรรมเจริญได้ก็เสื่อมได้อีก งั้นเราจะไปผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผลัดกันรูปผลัดกันถอยอยู่อย่างเนี้ยวิธีที่เราจะชนะกิเลสได้จริงๆต้องถึงขั้นเจริญปัญญาปัญญาเป็นตัวขุดรากถอนโคนกิเลสเราถึงจะชนะเด็ดขาดนะอย่างศีลเนี่ยแค่รักษาตัวรอดสมาธิก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับกิเลสแต่ปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดรากถอนโคนกิเลส คำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาอย่างที่พวกเรารู้จักกันปัญญามันมีหลายระดับปัญญาจากการอ่านการฟังอย่างมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยก็เป็นปัญญาจากการฟังเรียกว่าสุตตามยัปัญญาสุตตามยัปัญญาเนี่ยได้บุญได้กุศลนะแต่กิเลสยังไม่สะเทือนเลยกิเลสอยู่ที่ใจเราเราเอาหูไปฟังกิเลสไม่สะเทือน ปัญญาอีกอย่างหนึง่งเกิดจากการคิดพิจารณาใช้เหตุใช้ผลนะกิเลสก็ไม่สะเทือนจริงเราใช้เหตุใช้ผลเนะี่ยวางทีจิตใจของเรามันมีกิเลสซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ไปคิดหาเหตุหาผลนะมันกลายเป็นเหตุผลของกิเลสเอาง่ายๆปัญญาที่เราจะใช้ขุดรากถอนโคลนกิเลสจริงๆเนะี่ยชื่อภาวนามย์ปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเจริญปัญญานะ เราจะต้องมีเครื่องมือสำคัญสองตัวตัวที่หนึ่งคือสติตัวที่อสองคือสมาธนะิถ้าเราไปสวดมนต์หรือไปอ่านเรื่องของอริยามารรคมีองค์แดอริยามารรคมีองค์8ดนี้จะมีส่วนของปัญญาอยู่สองข้อแรกนะสมาธิมีความเห็นถูกสมาสังกปะมีความคิดถูก แล้วก็ถัดจากนั้นมีเรื่องของศีลสัมมาวาจานะมีคำพูดที่ถูกนะสัมมากมรมตะคือมีศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสาสัมมาอาชีวะนะการเลี้ยงชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดศีลผิดธรรมอันนี้เป็นส่วนของศีลใ น, ะนส่วนของปัญญามันมีสามตัวสัมมาวายามะความเพียรชอบ สัมมาสติหรือสัมมาสมาธิสิ่งที่เรียกว่าความเพียรชอบไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิวันหนึ่งสิบชั่วโมงนะไม่ใช่แปลว่าเดินจงกรมทีหนึ่งสิบสอชั่วโมงอันนั้นจะเป็นความเพียรชอบหรือไม่เพียรชอบยังไม่แน่แต่ว่าเราได้แค่อดทนนะคําว่าเพียรชอบเนี่ยต้องเพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลถึงจะเรียกว่าเพียรชอบ อย่างถ้าเรานั่งสมาธิเก่งเราเห็นคนอื่นนั่งสมาธิไม่เป็นเราขำเขาดูถูกเกียดตยามเขาว่าเขาไม่ดีเราดีอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีความเพียรนั่งสมาธิทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้มีความเพียรอะไรเพราะว่ามันสนองกิเลสตัวเองว่ากูเก่งกูเก่งนั้นเราจะดูว่าเรามีความเพียรหรือไม่มีความเพียรเนี่ยวัดที่ใจของเราเองถ้าใจของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อลดละกิเลส เป็นไปเพื่อเจริญกุศลอย่างนี้สิจะเรียกว่าเรามีความเปลี่ยนชอบนี่เป็นงานทางใจข้อแรกนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยสังเกตใจเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำตามใจกิเลสหรือเราทำเพื่อลดละกิเลสนะวัดใจของเราเองใครก็ไม่มารู้ใจของเราได้ดีเท่าตัวของเราเองนะงั้นเราหัดสังเกตใจิตใจของเราไปเวลาเราจะพูดเวลาเราคิดเวลาเราทำอะไรเนี่ย ทำไปเพราะกิเลสหรือเปล่าถ้าสังเกตให้ดีเราเป็นนักภาวนานักปฏิบัติที่เก่งๆนะเราจะรู้เลยว่าทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทาเนี่ย ม, มันมักจะสนองกิเลสนะเวลาเราคิดอะไรมันก็คิดเข้าข้างตัวเองเวลาจะพูดก็พูดให้ดูดีให้ตัวเองดูดีนะเวลาจะทำอะไรก็ทำเพื่อสนองกิเลสอีกอย่างบางคนทำบุญใส่บาตรนะ อยากให้คนอื่นเห็นอยากให้เขายกย่องว่าเราเป็นคนใจบุญอย่างนี้ทําเพื่อสนองกิเลสถ้าทำเพื่อลดละกิเลสอย่างเราใส่บาตรเราเป็นคนจนเราใส่บาตรมีข้าวเหนียวอยู่ก้อนเดียวเราใส่ด้วยความเสียสละไม่ใช่ด้วยความหวังว่าชาติน่าจะร่ำรวยหวังว่าชาติน่าจะร่ำรวยมันยังเจือกิเลสเจือโลภะอยู่เราทาด้วยความลดละกิเลสนะทา เห็นพระสงฆ์องค์เนรไม่มีข้าวเฉันนะเรามีข้าวอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งให้อย่างเงี้ยด้วยความเมตตากรุณาเห็นนี้เราได้บุญใหญ่นะงั้นเราต้องเริ่มตั้งแต่ที่ใจเรานี่เองเราทำความดีทั้งหลายทำไปเพื่อลดละกิเลสหรือสนองกิเลสบางคนทำสนองกิเลสนะเวลาทำบุญที่เมืองลาวมีหรือเปล่าไม่รู้แต่เมืองไทยมีทำบุญก็ต้องถ่ายรูป ไปลงหนังสือลงเฟซบุ๊กลงอะไรนะให้คนอื่นเขาได้รู้ถ้าให้เขารู้เพื่ออนุโมทนานั้นได้บุญนะแต่ถ้าให้รู้เพื่อได้หน้านะเพื่อเราจะมีชื่อเสียงอย่างนี้ไม่ได้บุญเท่าไหร่หรอกกิเลสมันแรงเนะนี่ยงานทางใจของเราเริ่มจากการวัดใจตัวเองนะว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทานั้นะนะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสมัย้ยหรือสนองกิเลส วัดใจของเราเองไปเราชอบเข้าวัดเข้าวัดนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้หลวงปู่ฟันท่านอยู่ที่สกลนครเขา่ากเข้าวัดนะวัดที่ดีที่สุดคือวัดใจตัวเองใครวัดใจตัวเองไว้มันทำไปเพราะกิเลสหรือทำไปเพราะกุศลนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธิ ї, เดินจงกรมอันนั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติ การปฏิบัติจริงอยู่ที่จิตของเรานี่เองถ้าเราทําไปเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลอันนั้นคือการปฏิบัติทำที่แท้จริงเรียกว่ามีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบนี้พอเราวัดใจตัวเองเรืเราจะทำํำจะคิดจะพู ด, จ ะ, พดจะทำทำด้วยความเป็นกุศลละอาุศลเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปอีกนะองค์มัช ในด้านเกี่ยวกับการฝึกจิตมีสามตัวสัมมาวายมะมีความเพียรชอบลดละกิเลสเจริญกุศลตัวที่สองชื่อสัมมาสติสัมมาสตินไม่เหมือนสติธรรมดาอย่างในเมืองไทยมีเขียนข้างขวดเหล้าในขวดเหล้าเนี่ยจะเขียนไว้บอกการดื่มสุราทำให้ขาดสติขาดสติแล้วเป็นยังไงขาดสติแล้วเอารวาสชกต่อย หรือขับรถไม่ดีตกถนนตายอย่างนั้นเขาเรียกขาดสติสติแบบนั้นเป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติในความหมายของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสติในวงมรรคเนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานหมายถึงเป็นสติซึ่งมีกายมีใจมีรูปมีนามเนี่ยเป็นฐานนะไม่ใช่มีสติล่องลอยไปในความดีเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกเจริญสติปัฏฐาน วิธีเจริญสติปัฏฐา น, นอันแรกเลยเนี่ยเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้กาย influenced. อันที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันที่สามเรียกจิ ต, ตานุปัสสนาสติปัฏฐานคอยรู้เท่าทันจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลของตัวเองอ อันที่4ี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียนรู้ความจริงของกุศลของอ ก, กุศลของรูปธรรมของนามธรรมเรียนรู้กระบวนการทำงานปรุงแต่งความทุกข์และก็การดับทุกข์นะจเรียนสิ่งเหล่านี้อันนี้นจะยากนิดหนึ่งนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานง่ายๆนะคือการรู้กายกับการรู้เวทนาการรู้จิตใจของตัวเอง การรู้ร่างกายรู้ด้วยใจที่ปกติใจของมนุษย์ธรรมดาพวกเรามักจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะเราต้องทำใจให้ผิดธรรมดาของมนุษย์ใจของมนุษย์ธรรมดานั้นดีที่สุดอยู่แล้วเราได้ชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเพราะงั้นพวกเราใจสูงอยู่แล้วแต่ว่าเวลากิเลสมันมานะทำให้ใจเราต่ำ นี่เราคอยรู้เท่าทันใจของเรากิเลสมาเรารู้ทันนะกิเลสครอบงาใจเราไม่ได้แล้วใจเราก็สูงนะสูงตามพื้นจิตของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมนั้นจิตประพัดสอนจิตของเรามันผ่องใสอยู่แล้วนะแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันแทรกเข้ามาแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะท่านบอกว่าเดิมนี่จิตของเราสว่างผ่องใสท่านไม่ได้บอกว่าจิตของเราบริสุทธ์นะ สว่างกับบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันนะอย่างน้ําใสเนี่ยนะน้ําใสกับน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันน้ําใสใสมันอาจจะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ก็ได้เหมือนจิตพวกเราเนี่ยใสยจริงนะแต่มีเชื้อโรคคือมีกิเลสซ่อนอยู่ตัวปัญญานี่แหละจะไปคุยค้ยเขี่ยเอาสิ่งโสโครกที่ซ่อนในจิตของเราออกไปให้พ้นะนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแต่โดยธรรมชาติแล้วจิตของเราเนี่ยผ่องใสอยู่แล้ว แต่ว่ามันมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างในเราไม่เห็นเราจะค่อยๆฝึกจนกระทั่งล้างกิเลสออกไปคราวนี้ทั้งใสทั้งบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เนี่ยสคัญ ใ, ในใจเราไม่มีเชื้อโรคแล้ววิธีที่เราจะปฏิบัตินะที่จะชาระจิตใจของเราเนี่ยอันแรกเลยคอยรู้เท่าทันกายคอยรู้เท่าทันใจของตัวเอง ด้วยจิตใจที่ปกติจิตใจของคนธรรมดาอย่างขณะเนี้ยพวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมเราต้องทําใจครึมขึมไหมเพื่อจะรู้ว่าตอนนี้กําลังนั่งต้องทําอย่างนี้ไหมเนี่ยเรารู้ว่านั่งอย่างนี้ไม่ถูกนะใช้ใจของคนธรรมดาขณะนี้นั่งอยู่รู้ว่าร่างกายมันนั่งขณะนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมใครไม่หายใจบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหม ลืมหายใจเนี่ยขณะนี้ร่างกายกําลังหายใจออกเรามีสติรู้ทันร่างกายหายใจเข้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยเรามีสติคอยรู้ไปการที่เราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านี่ต่อไปปัญญามันจะเกิดขั้นแรกมันมีสติก่อนแล้วขั้นต่อไปมันจะเกิดปัญญามีสติก็คือเห็นร่างกายกําลังหายใจออกเห็นร่างกายกําลังหายใจเข้านะ ถ้ามีปัญญาเบื้องต้นก็จะเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจด้วยนะอย่างคนตายแล้วมีแต่ศพนะมันเหลือแต่ร่างกายเหลือแต่วัตถุไม่มีจิตรับรู้อะไรไม่ได้พวกเรายังมีทั้งกายมีทั้งจิตอยูนะ่อย่าปล่อยให้จิตมันหนีไปเที่ยวลืมเนื้อลืมตัวนะ ไปหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็รู้สึกตัวนี่เรียกว่าการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เราหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวเรียกว่าเจริญอาณาปนสติการที่เรายืนเดินนั่งนอนเรารู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถรู้อิริยาบถการที่เราเคลื่อนไหวก็รู้สึก จุดนิ่งก็รู้สึกเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะบัพพะอยู่ในกายานุปัสนาทั้งหมดเลยงั้นเริ่มต้นดูจากกายก็ได้อย่างขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้ในเนี้ยมีใจเราอยู่ข้างในนี้เราไม่ต้องหาว่าใจของเราอยู่ที่ไหนเราแค่รู้ว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ ไอตัวเนี้ยไม่ใช่รู้อย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ทําอย่างโน้นอย่างนี้นะคอยรู้ทันมันเข้าไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกฝึกให้มีสตินะต่อไปจะฝึกให้เกิดปัญญาขั้นแรกในการฝึกให้มีสตินี่สติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะเราเห็นสภาวะบ่อยๆเช่นเราเห็นหร่ากายหายใจออก เ, เห็นร่างกายหายใจเข้าบ่อยๆต่อไปพอเราขาดสติเราลืมเนืลืมตัว เราเกิดเปลี่ยนจังหวะการหายใจนิดเดียวเท่านั้นเองสติจะเกิดอัตโนมัตินี่เรื่องเข้าเรื่องภาวนาแล้วทั้งนั้นเลยนะที่หลวงพ่อพูดมาวันเนี้ยอย่างเบื้องต้นให้คอยวัดใจเราการคิดการพูดการกระทํนั้นนะนะทำไปเพื่อลดละกิเลสหรือเพื่อสนองกิเลส น, นี่คอยสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆต้องเอาไปทำนะทำแล้วธรรมะเราจะได้เจริญขึ้นไม่งั้นเรียกว่าเราไม่มีความเพียร อันที่สองก็คือหัดมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นเนีตัวที่หายใจอยู่มันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุจิตมันเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจจิตมันเป็นคนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอ น, นจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดยิ่งอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยสังเกตไหมเรายังอยู่ในอิริยาบถนั่ง แต่ว่าจริงๆแล้วเรากระดุกระดิกตลอดเวลาเลยนั่งนานๆเมื่อยใช่ไหมก็ขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยคนทั่วไปพอนั่งเมื่อนยนะก็เปลี่ยนไอเดียบทไปไม่ทันเห็นความจริงของร่างกายนะว่ามันทุกข์นะมันเมื่อยก็ขยับไปขยับมานะั้นหนีทุกข์ไปเรื่อยๆนะไม่เคยเห็นความจริงของร่างกายนะเรียกว่าเราไม่ได้ทําบิดัสนาไม่ได้เดินปัญญาเลย แต่ก่อนจะถึงขั้นปัญญานะต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจซะก่อนถึงจะเดินปัญญาได้เพราะอะไรเพราะปัญญานั้นคือการเห็นความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความจริงของมันคือไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เป็นอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอานาจบังคับของเราจริงนะ มันไม่อยู่ในอำนาจบังคับได้จริงเวลาที่เราสังเกตอย่างสมมติเราใช้อานาปานสตินะเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่ยค่อยๆดูไปต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นนะว่าร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดับไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าขึ้นมาแทนร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกขึ้นมาแทน ชีวิตของเรากำลังหมดไปสิ้นไปนะทุกลมหายใจเข้าออกเรากำลังตายไปทีละน้อยทีละน้อยทุกลมหายใจเข้าออกใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเรามามีสตินะเห็นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้เรื่องเราเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยง แต่ถ้าเราดูอิริยาบถสี่อย่างขณะนี้เรานั่งอยู่นั่งอยู่เราดูไปให้ดีหรือบางคนยืนบางคนเดินทุกอิริยาบถอ่ะหรือกระทั่งอิริยาบถนอนอิริยาบถเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเราเห็นอนิจจังได้ง่ายเวลาเราเห็นอิริยาบถสี่เนี่ยเราจะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายเพราะนั่งอยู่ก็เมื่อย นอนอยู่ยังเมื่อยเลยนะกลางคืนนอนต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็พลิกทำไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันเมื่อยมันถูกความทุกข์บีบขันงั้นร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะถูกความทุกข์บีบขันอยู่ทุกทุกอิริยาบถนี้ถ้าเราจะดูอย่างละเอียดขึ้นไปอีก ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกการเคลื่อนไหวไมันเคลื่อนอย่างโน้นเคลื่อนอย่างนี้นอนอนใช่ไหมมันกําหนดไม่ได้ว่ามันจะเคลื่อนอยังไงมุมที่เราจะมองง่ายนะสําหรับการเคลื่อนไหวก็คือมุมของอนัตตารู้สึกลงไปเลยไอ้ตัวที่กําลังกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรา นะมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมานะเนี่ยดูร่างกายของเราที่มันกระดุกกระดิกอยู่เนี่ยหรือมันนั่งนิ่งๆอยู่เนี่ยดูเหมือนดูหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะดูอย่างนี้ก็ใช้ไดนะ้คือจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนาัตตาก็ได้อันแต่นหนึ่งเป็นปัญญาทั้งสิ้นนะงั้นเราแล้วแต่ความถนัดนะใครชอบอนาปนาสติ ก็าหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไปส่วนใหญ่ที่ธรรมานาปนสตินะทำไปแล้วมันเป็นสมาธิลือสีไปหมดนะสมาธิลือสีก็คือทำไปเพื่อความสงบเฉยๆต่อขึ้นมาเจริญปัญญาไม่ถูกนะหลวงพ่อเองตอนเด็กนะเจ็ดขวบปี2502หลวงพ่อได้มีโอกาสเรียนกับครูบาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อท่านพ่อหลี อยู่วัดโศกรามลูกศิษย์หลวงปมั่ น, นท่านพอรีเป็นคนอุนบนเราเสร็จแล้วภาวนาแล้วท่านไปเผยแผ่อยู่ที่สมุทรปราการท่านสอนให้หลวงพ่อหายใจหายใจเข้าบริกรรมว่าพูธหายใจออกบริกรมออก ร, กรมว่โทนะแล้วก็หายใจเข้าพูธออกโท น, นับหนึ่งหายใจเข้าพูธออกโทนับสองเนี่ยมีนับเลขด้วยหลวงพ่อก็ทำทุกวันเลยนั่นแต่ท่านสอ น, นแต่ว่าเราเด็ก เรียนจากท่านได้น้อยยังไม่ขึ้นเจริญปัญญาเลยหายใจเป็นสมถะอย่างเดียวย่งหายใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองอย่างเงี้ยพอจิตเริ่มสงบนะ้การนับเลขเนี่ยหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างคราวนี้โง่เลยไม่รู้จะไปทางไหนปิดมองที่แสงนะ เรามองที่แสงคราวนี้ยจิตมันเคลื่อนไปตามกิเลสเลยมันอยากเห็นสวรรค์มันก็ไปเห็นสวรรค์น้ำอยากเห็นเทวดามันก็ไปเห็นเทวดาจิตมันหลงออกไปข้างนอกนะถึงจุดหนึ่งนะีหลวงพ่อเฉลียวใจนะว่าเราออกไปดูเทวดานะมีวิมานมีปราศาสตร์มีอาหารการกินอะไรดีเหลือเกินเราก็อยู่กับเขากินกับเขาไม่ได้นะมันของใครของมันไปดูเหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีดูแล้วก็ช้าใจกว่ป่าว่าเราจน นะไม่มีประโยชน์อะไรหลวงพ่อตั้งแต่ภาวนานะตอนหลังๆเนี่ยไม่ยอมให้ใจเคลื่อนออกไปข้างนอกเลยนะให้จิตใจรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่แต่ว่ามันต่อจะเข้าเปจเจริญปัญญาไม่เป็นงั้นเวลาที่เราทำอานาปนานสตินี่ถ้าจะต่อให้เกิดปัญญานะอย่าดูให้เกิดความสงบเฉยๆนะหายใจจนกทั่งจิตสว่างสงบอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่พอ การหายใจให้จิตสงบสว่างอะไรเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่การหายใจด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าจะต่อยอดขึ้นสู่การเจริญปัญญาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวไว้นะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวแล้วจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนรู้ หรือร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจของเราเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนรู้หัดรู้บ่อยๆนะแล้วต่อไปเราขยับตัวนิดเดียวเนี่ยสติจะเกิดเองคราวหนึ่งหลวงพ่อยังไม่บวชนะนานนักหนานละหลายสิบปีแล้วไปกราบครูบาจารย์งหนึ่งเห็นท่านสอนขยับมือแล้วรู้สึกรู้สึกหลวงพ่อก็ลองมาขยับบ้าง กลาว่าเรารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกวันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอนานแล้วเพื่อนเกลอไม่เจอนานหลายปีเดินอยู่คนละฝากถนนพอเห็นก็ดีใจกนะ้าวเท้าไปจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวท่านะสติเกิดเลยสติเกิดอัตโนมัติเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติเกิดเองทำไมมันเกิดได้เพราะเราเคยฝึก ขยับเรารู้สึกขยับเรารู้สึกแต่ตอนฝึกเนี่ยเราฝึกขยับมือเรารู้สึกนะพอลงสนามรบจริงก้าวเท้าไปเท้าเคลื่อนไหวสติก็ะระลึกได้เหมือนกันนะงั้นอย่างเราคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะีต่อไปสติมันจะเกิดได้รวดเร็วขึ้นสติที่ดีต้องเกิดเองนะสติที่จงใจทําให้เกิดยังเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนนะสติต้องเกิดอัตโนมัติถึงเป็นกุศลที่มีกําลังแก่กล้า เพะนั้นเราพยายามฝึกสติเกิดได้เพราะจิตจําสภาวะได้แม่นหัดดูสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็เช่นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งอันนี้สําหรับคนที่ชอบดูกายจะดูอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกายได้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งมากมายเพราะจริตนิสัยของคนมันแตกต่างกันมากมาย บางคนไม่ชอบดูกายนะบางคนไม่ชอบดูกายก็หัดดูสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสิ่งที่เรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์รู้จักสุขไหมใครไม่รู้จักสุขยกเมือสีต้องบ้าแล้วละ่ะเพี้ยนแล้วละ่ะถ้าไม่รู้จักสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงรู้จักไหมเนี่ยรู้จักทุกคนนะงั้นไม่ต้องมาสงสัยว่าสุขดูยังไงทุกข์ดูยังไงไม่ต้องสงสัยอย่างนั้นหรอก ใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ความจริงสุขทุกข์เนี่ยเกิดได้ทั้งกับร่างกายและจิตใจนะ่านี้ถ้าเราจะรัดสั้นจริงๆเข้ามาที่จิตเลยเราจะเห็นเลยความสุขทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเฉยๆทางใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่เป็นการดูที่จิตใจของเราเป็นหลักนะไม่ใช่ดูที่กายแล้ว แต่บางคนดูจิตใจไม่ได้ดูไม่เป็นก็ดูที่กายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งไปแต่ถ้าเราดูจิตใจได้นะเราก็ดูไปจิตใจขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตใจขณะนี้มีความทุกขรู้ว่ามีความทุกะเนี่ยคอยรู้ท้าทันใจของเราไปอย่างที่แรกหลวงพ่อสอนไว้รอบหนึ่งแล้วนะเรื่องการรู้ทันใจของเราใจเรามีกิเลสที่รู้นะ ใจเราเป็นคุศนก็รู้เราจะได้ไม่ทําตามกิเลสเราจะได้มีความเพียรชอบนี้เรามีสติรู้ทันใจของเราใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รูนะ้อย่างนี้เราเริ่มเจริญสติแล้วมาอยู่ในขั้นสัมมาสติเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจตัวเองนะนั้นคอยสังเกตใจของเราใจเรามีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้รู้แล้วมันจะได้อะไร รู้แล้ววันหนึ่งเราจะเห็นความจริงความจริงก็คือความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวทุกวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยมากมายเนี่ยเพราะเราอยากได้ความสุขเพราะเราอยากหนีความทุกข์เราคิดว่าความสุขเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงเราก็อยากได้ความสุขกันทุกคนแหละ อุตสาห์ทำโน้นทํานี้นะบางคนหาเงินตั้งเยอะหนะ่อหวังว่ารวยแล้วมีความสุขบางคนก็คิดว่าถ้ามีชื่อเสียงจะมีความสุขลองไปถามคนใหญ่คนโตดูมีชื่อเสียงเหนื่อยจะตายแไนะออกงานสังคมตลอดเวลาเลยเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะต้องทําตัวเรียบร้อยด้วยเนาะเราอยากี่ร้องเพลงเล่นก็ไม่ได้ะผมกําลังอยู่ในห้องประชุมต้องทําตัวเรียบร้อยนะเหนื่อยนะงั้นความสุขนะ ความทุกข์อะไรพวกนี้หมุนเวียนอยู่ในใจเราแล้วเราคอยรู้มันไปความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะความรู้สึกทั้งหลายเป็นของชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปปัญญามันเกิดนะันจะรู้ว่าความสุขไม่มีสาระแก่นสารอะไรความทุกข์ก็ไม่ใช่ของนาเกลียดอะไรล้วนแต่เท่าเทียมกันความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปเราจะเลิกโง่ ทุกวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยมากนะเพื่อจะวิ่งหาความสุขเหน็ดเหนื่อยมากมายเพื่อจะหนีความทุกข์จะไปหนีมันทำไมความทุกขนะ์มันมาได้มันก็ไปได้ความสุขจะไปเที่ยวสแสวงหาทาไมมันมาได้มันก็ไปได้อีกนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปจนปัญญามันเกิดนะมันเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวมันเสมอกันนะพอใจมันมีความสุขขึ้นมาเรามีปัญญารู้ว่า ความสุขเป็นของชัวคราวเนี่ยเราจะไม่หลงเราเริงว่าความสุขจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วเวลาพวกเราดีใจอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้ร่วงหน้าว่าไม่นานสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันก็จะต้องหายไปนะรู้สึกไหมใจจะดีใจน้อยลงใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นนะพอใจมันเป็นกลางแล้วใจมันจะไม่ดิ้นรนนะไม่ดินน้นรนฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปแจมสงบสุข มีความสุขเกิดขึ้นก็บุญแล้วที่มีความสุขแต่ถ้าความสุขหมดอายุความสุขมันจะหายไปก็เป็นธรรมดาตรงที่เราเห็นว่าธรมาธรมดาธรรมดาธรรมดานั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือธรรมดานี่เองคือความเป็นปกติธรรมดานี่เองความสุขจะต้องดับอันนี้ธรรมดาไหมความสุขถาวรมีไหมไม่มีหรอกลองนึกย้อนดูในชีวิตของเรา แต่และคนผ่านความสุขมาไม่ใช่น้อยใช่ไหมเรารู้สึกไหมมันอยู่ประเดี๋ยวเดียวมันก็หายไปอย่างเราเป็นผู้หนุ่มนะเป็นคนหนุ่มอยากมีแฟนนะไปจีบสาวจีบได้มีแฟนนะก็มีความสุขพอมีแฟนแล้วอยากได้เป็นเมียเราเนาะได้มาเป็นเมียมีความสุขเสร็จแล้วไม่พอใจอีกแล้วนะอยากให้เมียตายเร็วๆจะได้ไปหาเมียใหม่นะนะความสุขนะมันสั้นนิดเดียว นะความสุขมันสั้นๆนะไปดูเถอะความสุขในชีวิตเราที่ผ่านกันมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งแล้วความสุขที่เราเกิดขึ้นนะมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปทั้งสิ้นไม่มีหรอกความสุขถาบอนเนะนี่ยดูไปจนปัญญามันเกิดเนาะความสุขก็ของชั่วคราวพวกเราผ่านความทุกมามากไหมในชีวิตทุกอะไรบ้างบนะีเยอะแยะเลยใช่ไหมตอนเด็กๆปวดฟันฟันจะหลุดอย่างงี้ยนะก็ทุกนะ ตอนเป็นวัยรุ่นขึ้นมามีสิวว่าทุกนะจำได้ไหมตอนมีสิวนะคลุ่มใจหน้าไม่สวยแล้วนะหรือพออายุเยอะขึ้นมีตีนกาคนไทยเรียกตีนกานะรอยยน่นแถวนี้คนลาวเรียกว่าอะไรตีนกาเหมือนกันใช่ไหมงัม้นพวกเดียวกันนะจำได้ไหมตีนกาอันแรกที่เกิดขึ้นสดชื่นไหม <c oughs> ไม่สดชื่นเลยนี่มันทุกนะ ทุกพ่ะตีนกาขึ้นพ่อตีนกาขึ้นอันที่สองอันที่สามอันที่สี่นะสุดท้ายมันขึ้นทั้งหน้าเลยนะหน้าเราเนี่ยยับย่นไปหมดแล้วมันเฉยเฉยแล้วมันยอมรับสภาพแล้วว่ามันต้องแก่เนี่ยจำผมงอกเส้นแรกได้ไหมผมงอกเส้นแรกจิตใจหวั่นไหวนะตอนนี้งอกเต็มหัวเนี่ยอย่างหลวงพ่องอกเต็มไปหมดแล้วเฉยเฉยนะมันเฉยเฉยความเศร้าใจนะที่ตีนกาขึ้น ความเศร้าใจที่ผมงอกใช่ไหมมันก็อยู่ชั่วคราวนะไม่มีหรอกความทุกข์ถาบอนในโลกนี้นะความสุขถาวอนก็ไม่มีความทุกข์ถาวอนก็ไม่มีเนี่ยเรามีสตินะคอยวัดใจของเราไปค่อยวัดใจเราใจเราเป็นสุขกร็รู้ใจเราเป็นทุกก็รู้สุดท้ายเราจะรู้เลยว่าสุขถาวรไม่มีทุกข์ถาวรไม่มีต่อไปใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะก็มไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะความสุขความทุกข์ อย่างของเราถ้ามีความสุขมาใจเราก็เพิ่มขึ้นนะพองโตเลยพอความทุกมานะใจเราแฟบลงไปก็เพิ่มลงก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันจิตใจเหน็ดเหนื่อยมากนะแล้วหัดเจริญปัญญาไปเรื่อยเราเห็นความจริงนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกขนะ์ของชั่วครั้งชั่วคราวเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงลงไปสุดท้ายจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะสุข จิตก็เป็นกลางไม่ได้หลงยินดีทุกจิตก็เป็นกลางไม่ได้หลงยินร้ายกับมันพอจิตเข้าถึงความเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่ปรุงไม่ดิน้นรนต่อนะีเน่เป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะจิตเป็นกลางด้วยปัญญานะเรียกว่ามีสังขารู้เปกขาญาณญาณว่าปัญญานะปัญญาที่ทำให้เราเป็นอุเบกขาเป็นกลาง ต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างเราเฝ้ารู้เนี่ยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวสุดท้ายใจก็เป็นกลางต่อสุขและทุกข์นะหรือบางคนไม่ชอบดูสุขดูทุกขนะ์บางคนกิเลสแรงอย่างขี้มโมโหโกรธทั้งวันเลยเจอหมาก็โกรธหมาเจอแมวก็โกรธแมวเจอตุกแกก็โกรธทุกแกนะเจออะไรมะโมโหไปหมดเลยพวกขี้มโมโหเนี่ยก็มีกรรมฐานที่เหมาะกับพวกขี้มโมโหนะ เป็นจิตตานุปัสสนาเป็นการวัดใจตัวเองนะในมุมของความกโกรธกับความไม่กโกรธทั้งวันเนี่ยมีแต่โกรธกับไม่โกรธโกรธกับไม่โกรธอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทษะจิตไม่มีโทษะรู้ว่าไม่มีโทษะทั้งวันจิตมีสองแบบคือจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธแต่ถ้าคนไหนขี้โลภเจออะไรอยากได้หมดเลยเจอเมีแชาวบ้านยังอยากได้เลยนะเนะี่ย อยากได้ทุกสิ่งทุอย่างพวกนี้จิตโลภเยอะเราก็ใช้ความโลภมาทํากรรมฐานเห็นไหมเราเรียนจากสิ่งชั่วร้ายนะเรียนจากสิ่งชั่วร้ายเหมือนดอกบัวคือธรรมะในใจเราเหมือนดอกบัวดอกบัวผุดขึ้นมาจากโคลนตมธรรมะที่ดีจิตใจที่บริสุทธิ์มันก็ขึ้นมาจากกิเลสของเรานี่แหละเรียนรู้กิเลสเข้าไปจิตมันโลภเก่งเจออะไรก็อยากเจออะไรก็อยากนะอยากขึ้นมาก็รู้พอเรารู้สักพักหนึ่งความอยากมันดับ เราก็จะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็อยากเดี๋ยวจิตก็หายอยากเดี๋ยวจิตก็อยากอีกเดี๋ยวก็หายอยากทั้งวันมีแต่อยากกับไม่อยากนสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งวันถ้าขี้โกรธก็เห็นเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธเนียสลับกันเฝ้ารู้เฝ้าดูไปต่อไปก็จะเห็นนะจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงะจิตโลภจิตอยากก็ไม่เที่ยงจิตไม่อยากก็ไม่เที่ยงดูไปเรื่อยๆนะต่อไปไม่จะรู้เลยจิตทุกชนิดไม่เที่ยง จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตจะดีหรือจิตจะชั่วก็ไม่เที่ยงปัญญาอย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นว่าสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเนี่ยมันเสมอกันถ้าเราเห็นอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีเนีใจเราจะอยากได้สิ่งที่เราชอบจะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบใจจะเกิดการหมุนติ้วติ้วติวตว้ขึ้นมาในนี้นะอยู่กลางหกเนี่ยจะทํางานขึ้นมาแล้วมันจะเวียงเอากิเลสแรงแๆขึ้นมาครอบหัวเราเลย เคยกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าไหมใครเคยกโกรธจนรู้สึกอู้หน้าร้อนเลย น, นี่มันพุขึ้นมาจากกลางอกเรานะกิเลสนะพุดขึ้นมาแล้วมันครอบหัวเราเลยคราวนี้มันกดหัวเรานะสั่งให้เราหันซ้ายหันขวาให้เราตีเขาให้เราดา่าเขาทำได้หมดเลย น, นี่อานาจของกิเลสมันสั่งเราจะต้องไม่ยอมแพ้มันถ้ายอมแพ้มันเราเรียกว่าเราไม่ได้มีความเพียรชอบ เราคอยรู้เท่าทันมันจิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันหายก็รู้ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าโกรธขึ้นมาให้ละนะแต่หลวงพ่อบอกว่าโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธพวกเราชอบละเวลาทุกขึ้นมาก็อยากละทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละทุกข์กิเลสเกิดขึ้นมากิเลสอยู่ในกองทุกข์นะอยู่ในสังขารขันอยู่ในกองทุกข์เนี่ยกิเลสเกิดขึ้นมา ให้เรารู้ไม่ใช่ให้เราละสิ่งที่ละมีตัวเดียวคือตัวอยากอยากให้ไม่มีกิเลสละเสื้อให้ความอยากนี้โง่นะไม่มีจริงเป็นไปไม่ได้ให้รู้นะไม่ใช่ให้ละพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวอยากนะให้ละนิโรธคือพนิพาณทําให้แจ้งไม่ได้ทําให้เกิดนะนิพพานมีอยู่แล้วไม่มีเกิดนะมรร อริยมรคมีองค์แปดนือสีลสมาธิปัญญาทําให้เจริญเนี่ยงานของเราคือสิ่งเหล่านี้การรู้ทุกนะคอยรู้ลงไปสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกคืออะไรร่างกายนี้คือตัวทุกขนะความรู้สึกสุขทุกก็เป็นทุกความรู้สึกดีรู้สึกชั่วก็เป็นทุกจิตใจของเราก็อยู่ในกองทุกเหมือนกันงั้นเราจะค่อยรู้นะรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยไม่ใช่เรื่องยากนะ รู้จัโกรธไหมโกรธเป็นไหมเครียดเป็นเป็นไหมออิจฉาเป็นไหมอิจฉาใครเคยอิจฉาบ้างมีไหมหลวงพ่อด้วยแหละแต่ก่อนก็ขี้อิฉาเป็นเหมือนกันพยาบาทเป็นไหมพยาบาทก็เป็นเนาะเบื่อเป็นไหมเบื่อเห็นไหมเนี่ยชื่อกิเลสทั้งนั้นเบื่อก็เป็นกิเลสนะอยู่ในตระกูลโทสะอ่อ ขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวใครเคยขี้เหนียวบ้างมีไหมมีตั้งเยอะแต่คนขอแบ่งนิดหนึ่งให้ไม่ได้นะนะเวลาเราขี้เหนียวจิตใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตใจอย่าเป็นทุกข์เวลาเราเกิดความรู้สึกขี้เหนียวนะเวลาความทุกข์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะเรารู้ได้ทันทีเลยวนะ่าจิตขณะนั้นเป็นจิตในตระกูลโทสะน ะ, ะตระกูลโทสะเนี่ยมันจะไม่มีความสุข ถ้าตะกูลราคานะมันมีความสุขกับมีอุเบกขาได้นะงั้นเวลาถ้าจิตใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันทีเลยจิตกำลังมีโทสะอยู่แล้วละไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานแต่ถ้าใจเรากำลังสบายต้องดูให้ดีนะอาจจะเป็นกุศลหรือเป็นโลภะก็ได้ค่อยๆสังเกตเนี่ยเรียนรู้จากของจริงในใจเราไม่ต้องเรียนตาราหรอกของจริงในใจเรานี่แหละจะสอนธรรมะหรอกหลวงปู่ดุลัตตุโลนะอาจารย์ ของหลวงพ่อที่สอนให้หลวงพ่อดูจิตดูใจนะท่านเคยบอกนะบอกธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี้ยออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นี่เองนะออกมาจากจิตนี่เองจิตของใครจิตของพระพุทธเจ้านะพวกเราก็ยังมีจิตที่พร้อมจะรู้ธรรมะได้นะแต่ละคนนั้นมีธาตุรู้อยู่ในตัวเองทั้งนั้นแต่ตอนนี้นมันถูกกิเลสบังเอาไว้มันไม่ตื่นเราพยายามมาปลุกธาตุรู้ของเราให้ตื่นขึ้นมามีสติ อย่ามีสติเรื่อยๆไปงั้นต่อไปนี้งานหลักของเรานะคือวัดใจตัวเองบ่อยๆคอยวัดใจตัวเองบ่อยๆใจเรามีกิเลสให้รู้ทันใจเราสุขใจเราทุกข์ให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วเนี่ยใจเราจะไม่ทำตามกิเลสเรียกว่ามีความเพียรชอบครูสอนก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคุศสจะเจริญยังไงแต่เดิมสตินา น, านๆเกิดทีนึง นะพอฝึกไปฝึกไปสติเกิดตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดนะยังหันซ้ายหันขวาที่รู้หมดเลยอย่าแวะแต่หันซ้ายหันขวาเลยนะนอนหลับอยู่จะพลิกซ้ายจะพลิกขวายังรู้เลยนะขนาดนอนหลับนะหลับเนี่ยจะพลิกไปพลิกมากเนี่ยรู้เลยแต่ว่ามันสั่งไม่ได้ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายนะมันเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยจิตมันสั่งไม่ได้ละมันอัตโนมัติแต่จิตที่เราฝึกสติฝึกสมาธิดีนะมันจะเป็นคนดู มันเห็นร่างกายปวดเมื่อยแล้วร่างกายจะพลิกตัวอะไรเงี้ยเราเห็นมันเมื่อยเริ่มเมื่อยแล้วเราบอกให้มันพลิกมันไม่พลิกหรอกนะเราสั่งมันไม่ได้จริงหรือมันเมื่อยแล้วเราบอกว่านิ่งๆอย่ากระดุกระดิกมันไม่เชื่อหรอกมันพลิกเองะเนี่ยเวลาจิตมันรวมลงไปนะแล้วเราตางานอยู่ก็ทั้งตอนร่างกายนอนหลับเรายังปฏิบัติได้เลยะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนสติมันาัตโนมัตินะทั้งหลับทั้งตื่นทั้งวันทั้งคืนเนี่ย ฝึกไปเรื่อยเป็นของดีของวิเศษที่พวกเรามีอยู่ประจําตัวของเราอยู่แล้วคือจิตดวงวิเศษทุกคนมีอยู่ในตัวเองเพียงแต่กิเลสมันครอบงำเรามีหน้าที่มีสติคอยคุ้มครองรักษาจิตใจของตัวเองสติทาหน้าที่อารักขานะจาไว้เลยสติทาหน้าที่คุ้มครองคุ้มครองอะไรคุ้มครองจิตไม่ใช่คุ้มครอง ตามถนนหนทางนะไม่ให้รถชนกันเลยเนะ้นหน้านที่ของจราจรของตำ ร, รวจสติเนี่ยทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตของเรานะไม่ให้ตกอยู่ในความชั่วนะจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเหมือนต่อไปนี้นะให้ให้พวกเราเอาไปปฏิบัติคอยอ่านจิตตนเองให้ชํชนานิชานาญจิตใจมีกิเลสโลบขึ้นมาให้รู้ทันจิตใจหายโลบให้รู้ทัน จิตใจโกรธให้รู้ทันจิตใจหายโกรธให้รู้ทันจิตใจหลงฟุ้งซ่านให้รู้ทันจิตใจสงบให้รู้ทันฟุ้งซ่านกับสงบก็เท่าเทียมกันไม่ใช่ฝึกเอาดีเอาสุขเอาสงบนะถ้าฝึกสมถามุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบแต่ถ้าฝึกวิปัสสนาให้เกิดปัญญาเนี่ยมุ่งให้เห็นความจริง ดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงดูเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจมันจะไม่กระเพื่อม ข, ขึ้นกระเพื่อมลงนะจะสงบสันติด้วยปัญญาแล้วจริงๆแล้วมันยังมีอีกขั้นหนึ่งนะจุดที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดที่พวกเราจะปฏิบัติทัดจากนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการแห่งอริยมรรค ซึ่งตัวนี้จิตจะเป็นเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุมรรคผลของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบแล้วงั้นเราค่อยๆพัฒนายังไม่เคยถือศีลก็ตั้งใจรักษาเสียยังไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกเสียสมาธิต้องอธิบายกันยาวนี่ตลงพ่อแบ่งไปพูดให้ฟังวันุนี้ นะส่วนเรื่องการเจริญปัญญาเนี่ยอาศัยสติไปรู้นี่แหละนะต่อไปปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดได้ด้วยเครื่องมือสองตัวตัวที่หนึ่งมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะตัวที่สองมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะถ้าพูดแบบปริยัตนะิคือมหาคูสุและจิตญาณสัมพยุตอาสังคาริกังนะคืออสังคาริกังคือไม่ได้เจตนาให้เกิด มันเกิดอัตโนมัติประกอบด้วยปัญญาเป็นมหากุศลจิตไม่มีโลภโกรธหลงจิตที่เป็นกุศลแท้จริงเนี่ยจะมีลักษณะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คล้านไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซืมไม่ทื่อนะจิตที่เป็นกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็จะให้ดีต้องเกิดอัตโนมัติงั้นเราจะต้องค่อยๆฝึกนะ ฝึกไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยๆนี่นแหละแล้วต่อไปเรื่อจิตที่มีความตั้งมั่นขึ้นมานอัตโนมัติเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีหนึ่งนะไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันฟังรวดเดียวจบเนี่ยเราจะจำอะไรไม่ได้เลยพอมันเยอะเกินไปวันนี้เรียนนิดเดียววัดใจตัวเองไว้ต่อไปนี้เราจะวัดใจตัวเองไว้ จะเป็นพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นคารวะญาติโยมทําได้เหมือนกันหมดนะเพราะอย่างเป็นพระเราก็เป็นพระโดยสมมุตินะใจของเราเป็นคารวะอย่างเป็นปุถุชนอยู่อะไรเงี้ยหรืออย่างเป็นคารวะถ้าเราภาวนาดีใจของเราเป็นพระแต่ว่าร่างกายเรายัางเป็นคารวานะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบการแต่งตัวหรอกนะงั้นเราพยายามพัฒนาใจของเราให้ดี นะพัฒนาใจของเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นคอยรู้ทันนะใจเรามีกิเลสก็รู้ทันนะโลภขึ้นมาก็รู้หายโลภแล้วก็รู้ไม่ต้องไปแก้ไขไม่ใช่ทํำยังไงจะไม่โลภทํำยังไงจะไม่โกรธไม่ต้องทำํำนะโลภขึ้นมารู้ว่าโลภโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธต่อไปเราจะเห็นนะมันโลภได้เองมันโกรธได้เองอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนะนัตตาอนัตตาคือมันเป็นเองมันไม่ได้อยู่ในอำนาจ แล้วโลบขึ้นมาอยู่ชั่วคราวก็หายโกรธขึ้นมาอยู่ชั่วคราวก็หายอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะการเดินปัญญานั้นจะต้องเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตานะอันแใดหนึ่งจะต้องเห็นอ น, นิจจะเรียกว่าการเจริญปัญญาในทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างแท้จริงลำพังการเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะเห็นความสุขเห็นความทุกข์ตรงนี้ยังไม่ใช่ปัญญาอันนี้รู้ด้วยสติ สติจะเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นมีสภาวะยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้นมีสภาวะหายใจออกหายใจเข้าเกิดขึ้นมีสภาวะสุขเกิดขึ้นมีสภาวะทุกข์เกิดขึ้นอันนี้รู้ด้วยสตนะิตรงที่รู้ด้วยปัญญาเนี่ยจิตจะต้องตั้งมั่นมีสมาธิซะก่อนนะปัญญาถึงจะเกิดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะตอนนี้ฝึกสติก่อนนะวันนี้เราเรียนการฝึกภาคปฏิบัตินะมาสองตัวแล้ว ตัวแรกคือสัมมาวายามะนะกับสัมมาสติสัมมาวายามะความเพียรชอบนะเราจะไม่คิดเราจะไม่พูดเราจะไม่ทำเพื่อสนองกิเลสนะเราตั้งเป้าหมายในชีวิตเราเลยเราจะต้องไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสตลอดไปนะคอยเฝ้ารู้เท่าทันใจของเรากิเลสมาเรารู้ทันนะแล้วสัมมาวายามะมันจะเกิดขึ้นนะมีความเพียรชอบ เราก็อยู่ในชีวิตธรรมดาเงี้ยคอยดูไปนะดูร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจนกระทั่งพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติเกิดเองเราลึกได้เองว่าร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนาระลึกนะหรือเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นนะรู้ไปเรื่อยๆสุขก็รู้ทุกข์ก็รูนะ้สุขเกิดก็รู้สุขหายไปก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้ทุกข์หายไปก็รู้ตัวนี้เราฝึกสตนะิต่อไปพอเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมา สติจะเกิดเองสติเป็นตัวระลึกได้รู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจส่วนปัญญาเป็นตัวเข้าใจรู้ทันว่ามีสภาวะอะไรเกิดอันนี้หน้าที่ของสตินะปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจว่าอ๋อทุกตัวที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงทุกตัวที่เกิดขึ้นล้วนแต่ถูกบีบคั้นเป็นทุกขังทุกตัวที่เกิดขึ้นเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ แยกถูกไหมอันนิจังทุกขังอนัตตาอันนิจจังเนี่ยหมายถึงของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีมันหมดไปสิ้นไปนะอันนิจจังนะของซึ่งมันเคยมีมันไม่มีมันหมดไปสิ้นไปทุกขงังเนี่ยของที่กำลังมีกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอย่างขณะเนี้ยเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเรากำลังมีทุกขังเบียดเบียนนะเราจะนั่งตลอดจานไม่ได้หรอกเดีย๋ยวต้องหาทางเปลี่ยนอิริยาบถ งั้นอย่างดูอิริยาบทนี่จะเห็นตัวทุกขังง่ายอา น, นิจจังมันเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปทุกขังเห็นว่าสิ่งซึ่งกำลังมีกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปอนาตตาคือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเนะเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งเราสั่งไม่ได้จริง เนี่ยเราจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนาัตตาก็ได้แล้วเวลาเราปฏิบัตินะเราถนัดจะมองมุมไหนในสามมุมนี้ก็ได้ในการเดินปัญญาส่วนการบรรลุมรรคผลนะจิตมันจะเลือกช่องเองมันจะเลือกเองว่ามันจะเห็นอนิจจังหรือเห็นทุกขังหรือเห็นอนัตตาไม่มีใครเห็นสามอย่างพร้อมๆกันนะเห็นมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเราฝึกนะวันนี้ให้กันบ้าน คอยอ่านใจตัวเองไว้คอยอ่านใจกิเลสมันเข้ามารู้ทันมันเข้าไปนะกิเลสมันไปแล้วอย่าหลงว่ากูเก่งนะพอเผลอเมื่อไหร่มันก็มาอีกนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปหรือใจเราสุขใจเราทุกข์ก็คอยรู้ทันถ้าสุขทุกข์แล้วไม่รู้ทันกิเลสมันจะมาอย่างเวลาเรามีความสุขนะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันราคาจะแท้มันจะชอบเวลาเรามีความทุกข์แล้วเราไม่รู้ทันนะโทสะมันจะแท เวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะโมหะความหลงมันจะแซรกอย่างเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆมักจะเผลอโมหะมันแทรกนะขาดสติไปเลยเราะฉนั้นเราพยายามอ่านใจตัวเองบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยที่สุดยิ่งดีนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัตินะที่จริงจังมากนะจริงจังมากเพราะการปฏิบัติของเราไม่ใช่ทำวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอีกต่อไปแล้ว การปฏิบัติเองเราจะทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดนะแล้วถ้าหัดเบื้องต้นเนี่ยตอนหลับมันปฏิบัติไม่ได้หรอกแต่ถ้าภาวนาชํานาญตอนหลับนี่นะจิตมันสว่างขึ้นมาเลยนะร่างกายมันนอนหลับนะจิตมันสว่างสวายรู้เนื้อ ร, รู้ตัวขึ้นมามันเป็นอัตโนมัตินี่เราค่อยๆฝึกนะของดีของวิเศษในพระพุทธศาสนามีอยู่ แล้วตัวที่จะไขเอาของดีของวิเศษออกมาได้คือจิตของเรานี่เองเพราะธรรมะทั้งหมดเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตโลกุตระธรรมคือมรรคผลก็เกิดที่จิตได้จิตก็ได้ธรรมะเสียจิตไปจิตเตลิดเปิดเปิงหลงไปก็ไม่ได้ธรรมะเพราะฉนั้นให้ตามรักษาจิตนะมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปวันหนึ่งเราจะพ้นบ่วงแห่งมาร บ่วงของมารมันจะมาครอบงำเรานะด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรส ด, ด้วยสัมผัสทั้งหลายแล้วเรามีสติรักษาจิตแล้ววันหนึ่งเราจะพ้นจากอำนาจของมารนะช่วงนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวฟังหลวงพ่อรวดเดียวไปเพราะเราจะเหนื่อยเกินไปตามปกติหลวงพ่อจะเทศ ร, รอบหนึ่งนะี่ยสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเพราะมันมีงานวิจัย พผมว่าสมองของคนเนี่ยรับข้อมูลได้สดชื่นนะรับอย่างสดชื่นได้สี่สิบห้านาทีนานกว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มล้าแล้วจะเริ่มลา้าพราะงั้นครูบาอาจารย์บางทีท่านฉลาดนะท่านเทศเทศอะไรแล้วเดี๋ยวท่านก็สลับเทศธรรมารุวนๆก็นั่งหลับก็ต้องเล่านิทานประกอบแต่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่ค่อยมีคนหลับหรอกเพราะาคนไหนหลับหลวงพ่อจะชี้เลย ว่าว่ายังไงจิตเป็นยังไงรหลับข้าย่างอายเขาอะ่นะไม่มีใครกล้าหลับหรอกนะอยู่หลวงพ่อมีแต่ตื่นตัวเกินไปตื่นตัวระวังมากเลยนะอย่างนั้นก็เกินไปนะยิ้มเสียทุกคนยิ้มหวานก่อนที่จะจบเซสชันนี้ยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มต้องเอากระจกส่องไหมถึงจะรู้รู้ด้วยใจ นะรูปที่เคลื่อนไหวนะรู้ได้ใจนะทำหน้าบึ้งซิทำหน้าบึงาบ้งเหมือนกาลังโกรธเหมือนแฟนเรามีชู้เอ้า โ, โกรธมากนะทำหน้าบึง้งซิรู้ไหมหน้าบึง้งคนลาวเนี่ยหน้าบึ้งไม่เป็นนะคนลาวมีความสุขเยอะนะจิตใจร่มเย็นน่ารักมากนะถ้าคนไทยบอกยิ้มซินะมันยิ้มแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะ แล้วบอกทำหน้าบึ้งหูหน้าบึ้งเก่งมากเลยงั้นหน้าบึ้งทั้งวันอยู่แล้วบ้านเมืองมันเจริญทางวัตถุเยอเกินไปความเจริญทางจิตใจมันลดลงพวกเราควรนลานะเจริญทางวัตถุขึ้นมาแล้วทางจิตใจเราต้องรักษาไว้นะรักษาพะศาสนาไว้เราจะได้ความสุขความเจริญในโลกมันทําให้ความเป็นอยู่ของเราสบายขึ้น แต่ธรรมะนั้นทำให้ใจของเราสบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจมันก็ดีนะไม่ใช่สบายแต่ร่างกายมีวัตถุสิ่งของเยอะแต่ใจเครียดตลอดอย่างนั้นมีชีวิตยอยู่ทาอะไรนะมีอยู่กับความทุกข์ไม่ได้สาระแก่นสารเลยนี่คนเราเราเนี่ยวัตถุมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะต้องระวังต้องระวังต่อไปอย่าย่าตกเป็นาธาตมันจนกระทั่งเครียดไปตลอดชีวิตนะ นะรักษาธรรมะไว้รักษาพระศาสนาไว้นะจะรักษาศาสนาได้ดีที่สุดนะีคือใจของเราต้องเข้าถึงธรรมะนะไม่มีที่ใดที่จะเก็บพระศาสนาไว้ได้ดีเท่ากับที่ใจของเราแต่ละคนนะให้ใจของเรามีธรรมะธรรมะอยู่กับเราใจเราร่มเย็นนะเราก็ค่อยๆสอนลูกสอนล้านสอนเพื่อนๆอไรนีนน้ค่อยๆขยายออกไปเหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่นะ ถึงเวลาเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นเข้าไปทุกคนมีเทียนคนละเล่มก็เพิ่มความสว่างขึ้นงั้นเรามีของดีของวิเศษอยู่แล้วนะคือเรามีความร่มเย็นอยู่ในใจคนรามีคนเร า, ม, ามีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อมนี่เป็นสเสน่ห์อย่างดีเป็นของดีของวิเศษนะไม่ใช่ต้องไปเอาอย่างฝรั่งมังค่านะกระดกกระเดกไม่ไม่สวยไม่งามเราไม่ต้องเอาอย่างเขาเขาก็งามอย่างของเขา ให้ฝรั่งมานั่งพับเพียบสีลน่ากเกลียดจะตายนะมันนั่งไม่เป็นนะของเรานั่งพับเพียบก็สวยงามใช่ไหมแต่ละชาติไม่เหมือนกันวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่ของเรามีศาสนาพุทธที่ทําให้ใจของเราสะอาดใจของเราสงบใจของเราสว่างสวยัยรักษาสืบทอดเอาไว้นะที่หลวงพ่อมาเทศเมืองลาวนี้ก็เพื่อจะมาแบ่งเทียนนะมาแบ่งแสงเทียนให้พวกเราพวกเรามีหน้าที่รับ แล้วก็รักษาไว้สืบทอดกันไปขยายออกไปให้ลูกให้หลานให้เพื่อนฝูงนะค่อยๆฝึกไปพอสมควรแก่วเวลานะชั่วโมงหนึ่งพอดีเมื่อกี้หลวงพ่อเริ่มเก้าโมงิบนาที